ุทพ์เปรียบพระอาหารหันต์สิ้นชีพเหมือนไฟดับดังความตอนหนึ่งในคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับวัชโคตรปริพาชกต่อไปนี้วัชโคตกล่าวว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดหน้าที่ไหนตรัสตอบว่าดูก่อนวัชค์คำว่าเกิด คำว่าจะเกิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดคำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ทั้งเกิดและไม่เกิดคำว่าทั้งเกิดและไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ คำว่าจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้ท่านพระโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าถึงความมุนงงเสียแล้วข้าพเจ้าถึงความหลงไปหมดเสียแล้วแม้เพียงความเลื่อมใสที่ได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำสนทนาเบื้องต้นของท่านพระโคโดมผู้เจริญนั้นถึงบัดนี้ก็ได้หายไปหมดแล้วดูก่อนวัชชะ ควรแล้วที่ท่านจะงุนงงควรแล้วที่ท่านจะหลงไปเพราะว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตยังไม่ได้ด้วยตั ก, กะละเอียดบันดิตพึงรู้ได้ธรรมะนั้นอันท่านผู้มีทิฏฐิอย่างอื่นมีแนวความเห็นอย่างอื่นมีหลักที่พอใจอย่างอื่นมีความเพียรที่ประกอบแบบอื่นถืออาจารย์สำนักอื่น ยากจะรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไรพึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้นดูก่อนวัชะท่านสำคัญว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านจะรู้ไม่ว่าไยนี้ลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าเราตอบอว่าข้าพเจ้าพึงรู้ได้ ก็ถ้าไกลๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโผลงท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไรข้าพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผลงได้ดูก่อนวัชชะถ้าไยเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไป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 วัชโคตรกล่าวข้อความถามตอบอย่างนั้นแล้วกล่าวว่าจะถามแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าฝ่ายนั้นอาศัยเชื้อคือย่าและไม้ใดจึงลุกโพลงอยู่ได้เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไปและเพราะไม่ได้เชื้ออื่นเติมฝ่ายนั้นก็ถึงความนับว่าหมดเชื้อดับไปเท่า น, นั้นเองฉันนั้นเหมือนกันแล้ววัชชะบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดดวนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตพ้นจะกการนับว่ารูปพ้นจะ ก, การนับว่าเวทนาจนถึงพจะ ก, การนับว่าวิญญาณลืกซึ้งประมาณไม่ได้อย่างได้ยาก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 ในรัตนสูตรก็มีความกล่าวถึงพระอารหันต์ว่าสมภพเก่าก็สิ้นแล้วสมภพใหม่ก็ไม่มีราชเหล่านั้นมีจิตคลายติดแล้วในภพที่จะมีต่อไปหมดพืชไม่มีชันทะในการงอกขึ้นอีกย่อมดับเหมือนดังดวงประทีบนี้ เมื่อคราวที่พระทัพพระมัลลบุตรปรินิพานพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่ากายก็แตกทำลายแล้วสัญญาก็ดับแล้วเวทนาก็เย็นหมดแล้วสังขารก็สงบแล้ววิญญาณก็ถึงอัสดงทรงเล่าเหตุการณ์นี้แก่ภิกษุทั้งหลายและทรงเปล่งอุทานอีกครั้งหนึ่งว่า